มงคลชีวิตมงคลที่ส3การเห็นอริยสัจอริยสัจจานะทัศนงังเอตามังคลมามุตตมังการเห็นอริยสัจสี่ หรือการเห็นอริยมรรคที่ตรัสรู้อริยสัจส์4ชื่อว่าอาริยสัจานาทสนะอริยสัจมีสี่ประการ 1. ทุกสภาพที่ทนได้ยากได้แก่อุปาทานขันห้าสสั ม, มุู t ย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 สัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมารกรรมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิข้อปฏิบัติเพื่อตรัสรู้อริยสัจสี่หสมถ ภ, ภาวนา